ก็ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ร่วพระพธิยญาณได้นำเสนอเรื่องทศาบา ร, รมีหรือเรียกว่าบา ร, รมีสามสิบทัศมาตามลาดับแต่ว่นานัยยะของบา ร, รมีทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆโดยวิจิตวิสดาน ซึ่งเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นการลดละกิเลสเป็นการเพิ่มพูนธรรมะขึ้นและบารมีข้อใดก็ตามที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําหน้าที่ลดกิเลสไม่ใช่ข้อเดียวแต่ลดกิเลสตัวที่ทรงกันข้ามกับตนเป็นหลักและในขณะเดียวกันกิเลสตัวอื่นก็จะถูกลดละลงไปโดยลําดับหรือถ้าราู้แล้วคล้ายๆกับ เราจุดแสงสว่างขึ้นต้องการจะมองดูจุดใดจุดหนึง่งแต่ในขณะเดียวกันไอรัศมีของแสงสว่างนั้นก็จะกระจายออกไปไปกระจายความมืดรอบตัวธรรมะในภาคสนามหรือธรรมะในภาคปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นคือในแง่ของปฏิบัติแล้วเนี่ยที่จึงจับตรงไหนก็ได้มันไม่ได้แปลกอะไร เพียงแต่ว่าเหล่านี้เป็นเรื่องปริยายคือในญาหนึ่งนิยามหนึ่งแวะมุมมองในด้านต่างๆว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะในกรณีของศีลที่กล่าวสืบต่อกันมาโดยลำดับนั้นส่วนมากแล้วท่านจะไปสรุปไว้ที่ศีลานิเทศในวิสุทธิมรรคคำพีวิสุทธิมรรคนั้นเป็นคำพีรุ่นหลัง ก็เรียบเรียงขึ้นประมาณาพศหนึ่งพันแต่ที่จริงก็900ร้ยกว่า่านะเกือบหนึ่งพันไปแล้วก็เรียกมาหนึ่งพันง่ายดีโดยพระพุทธโกสาจารย์จะเป็นการอธิบายขยายความจากพระพุทธลำมรับที่สัตว์ไว้ในสังยุตติกายเทวต า, าสังยุตอธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเอง แต่ว่าขยายออกไปวิจิตพิสดารซึ่งหมายความว่าท่านก็รวบรวมมาจากกระจัยปิฎกนั่นแหละแต่ว่ากระาจายกระจายอยู่ในที่ต่างๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเทศในแนวของเรียกว่าปริยายนิมากคือนิย่าหนึ่งในยะาหนึ่ง น, า น, งนมากให้สอดคล้องกับพื้นฐานเขาผู้ฟังในขณะนั้นๆ โดยเนื้อหาสาระแล้วเป็นอันเดียวกันแต่ว่าภาษาที่สื่อสารมิธีการสื่อสารตัวอย่างอุปมาอุปไมค์กันมาเทียบเคียงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันตัวอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนแม่น้ําร้อยสายเนี่ยหรือจะพันสายก็ตามแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ไหลลงทะเลด้วยกันพอถึงทะเลแล้วก็จะมีรสเค็มด้วยกันธรรมะในทางพระพุทธศาสนาบางครั้งท่านจึงเรียกว่าวิมุตติรส คือมีความหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เราลิ้มได้เราสัมผัสได้แต่ลดลได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นรายละเอียดแต่ที่แน่นอนที่สุดคือถ้าปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสต้องลดถ้าไม่ลดก็มหมายความว่าผิดหลัก็เพื่อให้นัยะเหล่านั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็จะพูดถึงสีลบบัมีโดยปริยายหนึ่ง คือหมวดหนึ่งนะฮะท่านแ บ, บ่งเป็นหมวดหม ด, หมดคือจกกัดกกลุ่มเป็นหมวดหมดไปหมวดที่สี่เรียกว่าวิสุทธิที่ศีลคือศีลที่พิสุท์ต้องอาบัติแล้วก็แสดงขึ้นก็ทําให้พิกษุท์เหล่านั้นบริสุทธิ์จากอาบัติที่ตนเคยละเมิดมาก่อนแต่ว่าศีลของพระนัน้นมันมีอยู่สข้อที่แสดงก็ไม่พ้นนะนะ ก็คือเรื่องปลายฤกษ์สีคือถ้าเรานับเป็นศีในศีแปดก็คือหนึ่งสองสามสีนั่นเองเพียงแต่ว่าสลับข้อกันหน่อยแล้วก็วิธีการคือเหตุให้ละเมิดสีนั้นมันวิจิตพิสดารออกไปแล้วก็ยันเนินคืออวบสังการทิเศษมันมีที่จริงมันมีสิบสามข้อแต่ว่าเป็นสังการิเศษเลยนี่มีแค่เก้าข้อ ไอ้สีข้อนั้นจะต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆไปก่อนจึงจะเป็นนบัตเพราะนบัตพวกนี้ก็จะต้องอยู่กรรมต้อรมานตนตามกรรมวิธีที่วินัยกำหนดไว้จึงจะบริสุทธิ์มีอบัตอีกกลุ่มหนึ่งชื่อเหมือนกันนะแต่ว่ากระจายตัวเองออกไปเกรกนิสกิยาปจิตติมันจะมีการสละสิ่งที่เป็นเหตุต้องอบัตเสียก่อนจึงแสดงอบัต ก็ เ, เรียกอบัตตกคือหมายความว่าตัวเองคืนเข้าสู่ความบริสุทธิ์เป็นเดิมตัวนี้เขาเรียกว่านิสกิยาเพื่อต้องสละสิ่งของอบัตปัญจิติเหมือนกันแต่ว่าเจนุพเทศอย่างเงี้ยคือต้องปัญจิติไปเลยสแสดงอบัตแล้วก็บริสุทธิ์ได้แต่บัตหยุดชุดหนึ่งเขาเรียกเพตะกปะปัญจิติคือต้องทุบทําลายสิ่งของที่เป็นเหตุ ต, ต้องอบาบัตเสก่อน จึงจะบริสุทธิ์จากบาปเหล่านั้นแล้วนอกจากนั้นก็จะบริสุทธิ์ด้วยการแสดงด้วยการอาธิบายแต่ต้องจับประเด็นให้ได้เหมือนกันนะฮนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้บัญญัติบาปบุญเอาไว้คือไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรที่จะบัญญัติบาปบุญบาป บ, บุญมันมีโดยธรรมชาติของมันคือหมายความว่าถ้าเกิดอกุศลและเจตนาขึ้นทําพูดหรือคิดลงไปเนี่ยก็เป็นบาป ถ้าเกิดกุศลในเจตนาขึ้นตามพูดคิดออกไปก็เป็นบุญแต่เป็นบุญโดยธรรมชาติของเขาเป็นบาปโดยธรรมชาติของเขาแน่นอนคำว่าบุญบาปที่จริงเป็นชื่อบัญญัติเรียกเอาเอาส่วนใครจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามแต่ว่าความคิดใดที่ใจขุหมัวเศร้าหม อ, องความคิดนั้นก็เป็นบาปความคิดใดที่ใจฟ่องแพร่ความคิดนั้นก็เป็นบุญทำพูดออกไปตามใจที่คิดในขณะนั้นนั้นก็เป็นบุญทางกายทางวาจา ภาษานั้นจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวเนื้อหานั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้บาปบางอย่างเนี่ยมันเป็นบาปสากลแสดงอาบัตในแง่ของวินัยแล้วก็พ้นจากอาบัติแต่ในแง่ของบาปไม่พ้นบาปเพราะงั้นท่านจะพูดแค่บริสุทธิ์จากอาบัตเช่นว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์อย่างเนี้ยมันก็ไม่บริสุทธิ์หรอกถึงแม้จะแสะแดงแต่าบาปนั้นก็คงเป็นบาปอยู่ เพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นภิกษุก็ถือวพ้นจากอาบัตรตรงนั้นอาบาตรบางอย่างนั้นแสดงแล้วก็บริสุทธิอ์อเช่นสมมติว่าเกิดไปกินข้าวเย็นเข้าวเนี่ยคือกินข้าวเย็นเนี่ยไม่ใช่บาปไม่ใช่บาปสากลแต่ว่าเป็นบทบัญญัติในเรื่องของพระวิ น, นัยเมื่อแสดงแล้วขอเลือกชื่อวพ้นจากอาบัตรตรงนั้นก็นี่เรียกว่าอาบัตรคือศีลที่ บริสุทธิ์ทีนี้ศีลบางอย่างเราปฏิเสธความมีศีลของท่านไม่ได้คือท่านยังมีศีลอย่างในสมัยโบราณที่คนไทยเขาพูดนะบอกว่าหลวงชีศ ก, กปรกดีกว่าประสบมีศีลจึงก็เป็นการพูดกันไม่รู้ใครพูดนะฮะพระอาจจะพูดเองก็ได้ประปกล้องตัวเองแต่ก็ไม่มีที่ไปที่มาก็เป็นคําที่แพร่หลายกันดู แต่ท่านนี้อาจจะเทียบเคียงว่าศีลของท่านมากคือหลายข้ออาจจะต้องอบัตบางข้อนะะแต่ท่านก็มีศีลแต่ศีลของท่านไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่ามันมีความผิดปกติอยู่ใกล้ๆก็ผ้าขาวผืนหนึ่งเมื่อขาวเยอะนะฮะแต่ว่าพอดีมันมีจุดดำดำอยู่ก็ถือว่าผ้าขาวบริสุทธิ์ไม่ได้แต่ว่าจะถือว่าเขาไม่ขาวเลยเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกัน การมองศีลในแนวนี้ก็จะมองในลักษณะอย่างนั้นซึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันคือหมายความว่าเช่นสมมติว่าเรารักศีลรับศีลห้าไปนะแล้วก็ไปดื่มสุราเศีลที่สีข้อเราไม่ละเมิดเนี่ยเมื่อไม่ละเมิดมันก็ต้องถือว่าเป็นยังบริสุทธิ์อยู่ในเรื่องสีข้อในรูปงกรรมวิธีนั้นก็คือกรรมวิธีเช่นว่ารับเป็นส่วนๆหรือรับไปทั้งหมดไอ้นั้นเป็นพิธีกรรมเฉย แต่ในแง่จริงๆในแง่ของกรรมเนีราต้องมองในแง่ของกรรมว่าสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราไปดื่มสุราแต่ศี่สี่ข้อเราไม่ผิดถามว่าในขณะนั้นเนี่ยใครมาจับว่าเราลักทรัพย์ได้ไหมใครมาจับว่าเราฆ่าคนได้ไหมมันก็ไม่ได้อ่นะเพราะเราไม่ได้ทําผิดแต่จากประมวลสุราอาลวาดเนี่ยอาจจะได้นะฮะถ้าว่าดื่มสุราไปแล้วก็ไปอาลวาดมันก็แยกส่วนโดยธรรมชาติ แต่ส่วนโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าที่เห็นชัดเจนก็คือประชิตของพระกับภิกษุณีนะคือหมายความว่ามันไปทำลายศีลก้ออื่นด้วยคือท่านหมดสภาพความเป็นภิกษุกับภิกษุณีแต่ก็สึกไปแล้วก็เป็นวาสกปัจิกาได้คือไม่ได้ปฏิเสธสถานะความเป็นมนุษย์คือมีสิทธิโดยกาเนิดของท่านเนี่ยือเราไปปฏิเสธตรจจงนั้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย พ อ, อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือการเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมมติมันเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขอีกระดับหนึ่งที่ท่านเหล่านั้นสมัครใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเองเมื่อเิีกฎเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ว่าหมดสภาพความเป็นภิกษุความเป็นภิกษุณีก็หมด แต่ว่าไม่ได้หมดความเป็นคนไม่ได้หมดความเป็นอุบาสกปัิกาท่านก็สามารถศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็รับผลตามกําลังความสามารถของท่านได้ศิลประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเวมติกัดสินคือการกระทําบางอย่างไม่ว่าจะเป็นของโยมหรือของพระก็ตามเนะีคือเราทําไปแล้วมาสงสัยเอ๊ะมันถูกหรือผิดติดศินหรือเปล่าในกรณีเหล่านี้ยบางครั้งบางคราวเนี่ย พอเราไม่เกิดแน่ใจมันก็เกิดเครียดขึ้นมาแล้วเกิดวิตกกังวลคือไม่แน่ใจว่าการกระทาเหล่านี้ถูกหรือไม่ผิดอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลที่มีความค้งใจสงสัยในวัตถุหรือบุคคลหรือการประพฤติกระทำของเราในบางครั้งเนี่ยเราก็สงสัยว่าเราผิดหรือไม่ผิดทีนี้ในแง่ของศีลพระแล้วในถ้าสงสัยแล้วก็ ท่านก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะฮะก็ปรับอรบตุกดไว้ก่อนสงสัยแล้วคืนทำหรือว่าสงสัยแล้วเก็บไว้เนี่ยแล้วก็เปิดเหนีวนะฮะแสดงอ ბ ัตเลยจะก่อนเราไม่แน่ใจอะ่ะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมันปุ๊บปับหรือว่ามันเผอไปแล้วก็นึกไม่ออกนึกไม่ออกก็ขจัดความสงสัยเสียเพราะวาเวลาพระแสดงเนี่ยแสดงอ ბ ัตในส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าสงสัย คือไม่รู้ไม่รู้ต้องอับัตหรือไม่นะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เรามีปัญหาภายในใจก็แสดงอาบัตเสียหรืออย่างเงี้ยอย่างเราเดินเดินไปก็เห็นสัตว์แล้วก็เกิดไปเหี้ยเอาตายมล่ก็สงสัยว่ามันต้องอาบัตหรือไม่หรือขาดสีหรือไม่แล้วก็เพื่อจะให้สบายใจก็แสดงอับัตเสียก็ขจัดความสงสัยตรงนี้เสีย อีชุดหนึ่งนั้นเป็นศีลที่ก็เรียกว่าประนีขึ้นนะหมายความว่าเป็นศีลของพระเสขพระเสขนั้นก็คือที่ศีลที่มันเกิดพร้อมกับพร้อมกับมรคคือพระอริยบุคคลเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะคือหมายคาวามว่าท่านบรรลุโสดาปฏิมาศเป็นโสดาปฏิปล ศีลห้าประการของท่านเนี่ยเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปสํารวมระวังอะไรเขาเรียกเป็นสมุดเจตประหารคือรักษาตลอดชีวิตของท่านเนี่ยจะไม่ละเมิดศีลห้าทีนี้ศีลห้านั้นเป็นเหตุให้ต้องอบายการละเมิดศีลห้านี่เป็นเหตุที่ตกกบายทีนี้เมื่อท่านไม่ละเมิดศีลห้าท่านก็ไม่ตกกบายก็เรียกว่าปิดประตูนรกได้นะฮะตั้งแต่ประสูตบันขึ้นไปในแน่นอนว่าปิดประตูอบายได้ ศีลของท่านจึงไปสัมพันธ์อยู่กับมรรคที่ท่านได้บรรลุแล้วก็มีความประนีตขึ้นไปจนถึงเนี่ยพระนาคามีพระนาคามีนั้นศีลพรหมจรรย์เนี่ยเกิดขึ้นเหนืออัตโนมัติอยู่มาความพอท่านเป็นพระนาคามีเนี่ยท่านไปละกิเลส ท, ที่ค่อนข้างละเอียดนะเรียกว่าสังโยชน์เพิ่มอีกสองข้อคือการมาราคะความกำหนัดในทางเพศที่จริงความยินดีในทางเพศโดยทําไปนะไปถึงกับกำหนัด แล้วก็ความหงุดหงิดรำคาญถึงเป็นอาการของโทสะแต่มันไม่แรงมันดับไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมื่ดับตรงนี้มันก็ไม่มีความรู้สึกในทางเพศไม่มีความต้องการในทางเพศอาจจะมีสามีพัญญาก็อาจจะอยู่กันแบบคาระวะสมุนีคือก็ต่างคนดั่งกัอยู่เป็ดเพื่อนประพฤติ ธ, ธรรมด้วยกันแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องผูกพันในทางเพศ เกิ ค, ความเปลี่ยนแปลงทางจิตเนี่ยมันก็กอยเกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวิจารของท่านตามไปแล้วข้อต่อไปก็คือศีลของพระอรหันต์เขาได้อาเซกัศีลอันนี้ก็แน่นอนนะฮะคือท่านสมบูรณ์ไม่มีแม้แต่ความคิดจตนิดเดียวนะฮะหือไม่มีแม้แต่มานะมีเรื่องเล็กๆเรื่องละเอียดละเอียดเนี่ยท่านก็ไม่มีเพราะวาะ่าละได้หมด ประการใหญ่บังคือท่านดับอวิชชาได้เพราะฉะนั้นเมื่ออวิชชาดับกิเลสสารพัดกิเลสมันก็ดับไปจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้ทีนี้หมวดต่อไปข้อต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นศีลปุถุชนคือไม่ถึงก็เป็นเสขะหรือว่าเป็นอัเสขะแล้วเป็นศีลของพวกเราทัว่วไปเนี่ยนะครับมันก็รักษากันจนกว่าจะถูกต้องไม่ต้องพูดได้มากกันนะไม่ต้องพูดได้มากคือเอาเฉพาะศีลห้าเนี่ย ถ้ารักษาแนวลึกมันก็ลึกนะรักษาแนวกว้างมันก็กว้างแต่ปัญหาว่าความปรีตมันเกิดขึ้นภายในจิตก่อนแล้วก็จะคืบคลานก็ไปสู่การควบคุมอาการทางกายทางวิจารจินว่าการฆ่าสัตว์อย่างเนี้ยคือหนึ่งเราฆ่าเองอันนี้แน่นอนสองไปใช้คนอื่นฆ่าอันนี้ก็แน่นอนคือขาศีลแน่ แล้วก็สามเนี่ยมันไปยกย่องสรรเสริญคนที่ฆ่าจะถามว่าเราขาดศีลไหมเราก็ไม่ได้ทาเองไม่ใช่คนอื่นทำแต่เราก็ชื่นชมในการกระทำอย่างนั้นเรยกไว่าศีลเราบกพร่องคือเรียกว่าพรหมจรรย์ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะจิตมากด้วยโทสะแล้วก็พยาบาทแล้วก็มีโมหะไปยกย่องสรรเสริญการกระทาที่ไม่ถูกไม่ควร แต่ว่าสังคมโลกเราสวดมากมันก็เป็นอย่างนั้นแน่ะแต่เช่นสมมติว่าโจรปล้นฆ่าคนเนี่ยเป็นฆาดตรกรที่จะต้องทํำลายล้างแต่ในขณะเดียวกันกองทัพไปปราบรามคาตศึกก็กลายเป็นวีรชนซึ่งฆ่าคนมากกว่าแต่กลายเป็นวีรชนในแง่สังคมนั้นคือสังคมแต่ในแง่ของศีลก็คือแง่ของศีลบางคนระดับกันศีนลเรปฏิเสธบาปไม่ได้หรอก พอการกระกกกทําทั้งหมดมันเกิดขึ้นในโลภะโทสะโมหะอะไรเข้มข้นมากกว่าอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีใครฆ่าสัตว์ไปเมตตาเกิดสงสารสุดขีดแล้วก็ฆ่าคนตายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะงั้นยังไงยังไงก็เป็นเรื่องของบาปอกุศลตัวนี้ก็เป็นศีลที่ลึกซึ้งบ้างไม่ลึกซึ้งบ้างแล้วจนถึงจุดหนึ่งเนี่ย จะไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาโดยการฆ่าและได้ไม่ยินดีในผู้ฆ่าไม่ยินดีในข่าวการฆ่าต่างๆคือไม่สนใจที่จะอ่านจะฟังสมมติว่ารับรู้ขึ้นมาก็ทาใจสงบมองในแง่ของกา ร, ริสสัตต์ทั้งหลายเป็นผูมิกรรมเป็นของอกตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมไปนั้นก็เรียกว่าศีลมันก็ประนีตขึ้นทีนี้พวกศีนเหล่าเนี้โดยปริยายหนึ่งท่านก็ จะนั่แสดงไว้ในศีลนิเทศเช่นเดียวกันนะครับศีลนิเทศเนีย่ยติบายไว้เยอะอยจะเอารายละเอียดเยอะประการข้อแรกท่านเรียกว่าศีลมีส่วนที่เสียหายหมายความมีส่วนที่บกครองเช่นสมมติว่าเราไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ตายแต่ก็ทำให้เขาบาดเจ็บทำให้เขาประสบความทุกข์ทรมาน พอไก่มาชนกันพอปลามากัดกันมันไม่ถึงขาดศีนหรอกเพราะอะไรเพราะยังไม่ตายแต่วันนั้นก็คือศีลที่มีส่วนเสียหายคือมีส่วนบกพร่องศินบางอย่างนั้นก็มีส่วนเสมอคือเป็นปกติภระส า, าได้เป็นปกติแล้วก็ก็เรียกว่าถ้าอยู่กันหลายหลายคนนะฮะเขาเรียกศีละสมัญญาตาคือว่ามีสินสมันเสมอกัน อนนี้สีหนึ่งเป็นภาคที่พิเศษขึ้นหมายความมัศย ง, งบลึกเข้าถึงจิตยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าชาบ้าเนี่ยมองเพื่อนด้วยความอาฆาตบ้านไรหรือว่ามองด้วยความกําหนัดในทางเพศเนี่ยไม่ถึงขาดสีเนาะแต่ถ้าพระไปมองอย่างนั้นแล้วก็ขาดสีคือไม่จะขาดสีก็ต้องอบับดับนะเพราะเรียกว่าต้องอบดับทุกคน เจะมอ ง, มองเพศตรงกันข้ามด้วยจิตกํำเนิดเพงมองด้วยจิตกําหนัดไม่ว่า จ, จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามก็ถือว่าต้องอับัายเดียนกันแปลว่าเป็นอับัติทุกกฎ น, นะทุกกฎที่จริงก็แปลว่าทําไม่ดีคือไม่เหมาะไม่ควรแก่สถานะของสัมมณะหรือสัมณีภิกษุณีก็เรียกว่าสัมณีนะทีนี้สีลอีกประเภทหนึ่งเนี่ย มันมีปัญญาเข้ากำกับมันมีความลึกซึ้งเขาเรียกว่านิเบพระพากิยศสีนคือสีนที่สมาทานแล้วก็ลึกประนีตขึ้นไปมันเป็นชำระชำระกิเลสคือไปทำลายกิเลสเนะช่นเรารักษาสีนข้ออธินาทานพอถึงจุดหนึ่งนไม่ยินดีในของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำ สมมุติว่าพระเขาาของหนีภาษีมาถวายเนี่ยไม่รับนะถ้ารู้อะแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันเพราะงั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไว้วางใจผู้ถวายก็เราก็คงไปสืบสาวอะไรไม่ได้หรอกของได้มาในทางที่ชอบธทำหรือไม่ชอบทำเพราะว่ามันเป็นการติดต่อระหว่างผู้ถวายกับผู้รับในขณะนั้นๆแต่ทีนี้ถ้าหากว่าพระรู้ หรือว่าเขาพูดเป็นปริยายอะไรให้เรานึกว่าเอของนี้มันไม่ชอบทำเอาก็ไม่รับนะมันก็แสดงว่ากิเลสมันไปลดไอตัวโลภะคือความอยากได้หรือความเห็นแก่ตัวลงไปเราถือว่าศีลที่พระโลกก น, น่านทงบัญญัติไว้นั้นจะ ต, ต้องรักษาให้เต็มตามสติกำลังความสามารถแน่นอนเราจะสัตขาดจริงเชิงก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเราก็ปุถุชนนะฮะ แต่ว่าจะต้องให้ลึกซึ้งประณีตมากยิ่งขึ้นไปโดยลําดับเพราะจริงๆในศีลพอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่ามันเข้าไปสู่กระแสมันทำมาเพียงแต่ว่าเป็นการวางไว้ในดับใดสําหรับใครถ้าเราไปดูในริยมักแล้วจะเห็นได้ชัดนะฮะเช่นข้อสัมมาวายามะข้อแรกคือความพยายามชอบข้อที่เรียกว่าสังวรปทาน ยูเพียระวงังสํารวมระวังเวลาตายเห็นรูปบุพพ์เสียงจ ม, กมูกดมกลินลิ้นนิ่มลกายถูกต้องหยุดถูกต้องหยุดนอนนอนแข็งเนี่ยไมใ่ใจเกิดยินดีหรือยินไรเรียกว่าไม่เกิดราคะไม่เกิดโลภไม่เกิดโทสะสหรับสาธุชนทั่วไปไม่ผิดศีลหรอกขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าพระแล้วก็ถือว่าผิดอินเสียสองวรศีลมันเป็นศีลที่ประณีตประณีตขึ้น แต่อย่าลืมนะฮะว่าที่ยกตัว อ, อยาา่างมื่อกี้ว่าเรามองเขาด้วยความอาฆาตมาร้ายต้องการจะฆ่าให้ตายหรือมองเขาด้วยความรู้สึกต้องการในทางเพศหรือมองสิ่งของของเขาด้วยความโลภอยากได้ถ้ามองด้วยความโลภอยากได้นี่ก็แสดงว่าใจมันก็ขุ่นแล้วใจมันขุ่นทีนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าใจมันทะลุทะลวงกิเลสเข้าไป จะเข้าไปชำระ ก, กิเลสเป็นลดความรุนแรงของกิเลสไม่สามารถจะทําไปฏิริรยาต่อจิตของเราให้เปลี่ยนแปลงไปตามแรงกระตุ้นที่มาจากข้างนอกได้ก็เป็นการไต่อันดับขึ้นไปเพราะในเชิงของความเป็นศีลแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมที่จิตเราได้มีสติระลึกรู้เท่าทันทึงอารมณ์ที่เราสัมผัสในขณะนั้นแล้วระมัดระวังไม่รู้อํานาจแก่อารมณ์ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดโลภะอะไเกิดราคะให้เกิดโทสะอะไรก็ตามมัก็เป็นศีลประเภทเนี่ยประเภทจำแรกกิเลสแล้วก็สลัดตนออกไปออกไปจากอะไรจากการกระตุ้นจากการเร่งร้าของอารมณ์และความ ก, กระตุ้นมาจากข้างนอกหรือว่าใจเป็นเดี่ยวนึกสึงนึกขึ้นมาเนี่ มันก็สามารถบรรเทาความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนั้นออกไปได้นี่ก็เป็นศีลที่มีความประณีตอีกชั้นหนึ่งเป็นนิบเบทภ า, ากิยศีลคือศีลส่วนชําแรกออกคือสลัดตัวออกจากกิเลสเครื่องขุดมัวสามองทั้งหลายต้องฟังทั้งหาแต่รมวระพุทยญาณในวันนี้ข อ, อยิตไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง้อ ง, งามไผ่บุ์ในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี